ผู้เจริญสติขณะขับรถไม่มีใครอยากตายในรถไม่มีใครอยากมาเจ็บพิคนพิการในรถรวมทั้งไม่มีใครอยากเป็นฆาตกรถือพวงมาลัยรถต้องไปชดใช้ความผิดกันในกุ๊กในตารางนี่เป็นเรื่องของอัตตาเราแต่อัตตาของรถซับซ้อนกว่า น, นั้นนอกจากจะไม่อยากให้ของแพงเกิดความเสียหายเรายังไม่อยากให้ของเร็วต้องหยุดหรือสะดุดอีกด้วย อะไรก็ตามที่ขวางอัตตาของรถให้ต้องหยุดหรือชะลอจะถูกหมายหัวเป็นศัตรูทันทีการฝึกเจริญสติในรถควรเริ่มที่ตรงนี้เมื่อคุณรู้สึกถึงกายในท่านั่งก็จะทราบว่ากายทั้งหมดถูกรถห่อหุ้มไว้การพุ่งไปข้างหน้าอย่างราบรื่นก่อให้เกิดความสบายตัวเป็นปกติ แล้วก็สบายใจที่จะได้ไปถึงที่หมายตามคาดนับเป็นสุขส่วนการหยุดฉับพันกระทันหันก่อให้เกิดความเกรงตัวผิดปกติแล้วก็ไม่สบายใจถ้าจะต้องไปถึงที่หมายช้าลงนับเป็นทุกข์การเบรกในระยะกระชันชิด ต, ตกใจที่ต้องตกอยู่ในอันตรายหรือเกรงตัวแน่นจากการกระตุกของรถหรือว่าเสียวกับเสียงเอียดลั่นถนน ล้วนเป็นความทุกข์ทางกายทั้งใจที่ก่อให้เกิดโทสะขั้นรุนแรงได้เชียพลันรวมกันจะได้ข้ออ้างที่สมควรลงโทษคนผิดสถานเบาคือโดนด่าพ่อล้อแม่ถ้าไม่ออกมาทางปากเข้าหูเขาก็กล้องกังวานอยู่ในใจเราเป็นอย่างน้อยไม่ว่าโทสะแรงหรือเบาแค่ไหนอย่างไรนักเจริญสติก็ต้องปล่อยให้เกิดขึ้นรอทุกข์และโทสะ เป็นของเกิดพร้อมกับอาการผิดปกติของรถอ้ามไม่ได้แรลงสังคุมกำเนิดโทสะไม่ได้สิ่งที่นักเจริญสติแตกต่างจากคนขับรถทั่วไปคือการไม่ปล่อยให้โทสะแรงขึ้นอาจเริ่มจากการระลึกถึงความจริงที่ว่าโทสะไม่เคยช่วยให้สติดีขึ้นไม่เคยช่วยให้รับมือกับเรื่องร้ายได้ดีขึ้น ไม่เคยช่วยให้โตตอบกับเซียววินาทีเป็นตายได้ดีขึ้นตรงข้ามสถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วแค่ไหนโทศาสตร์จะยิ่งซ้ำเติมให้ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกถ้าแย่ถึงขีดสุดรถก็อาจแปลงร่างจากพาหนะเป็นอาวุธร้ายได้ทันใจมันอย่างที่ใครบางคนโมโหเดือดไฟแดงสติขาดขับพุ่งชนคนบนถนนให้เห็นมาแล้ว ไม่เห็นต้นต่อว่าโทสะในอกในใจเรานี่เองที่ซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งแย่ลงหรือสถานการณ์ยังไม่ทันเลวร้ายก็อาจกลายเป็นมีเรื่องกันบนถนนขึ้นมาได้สติของคุณจะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นวันต่อวันผ่านการฝึกไม่ปล่อยให้แรงขึ้นนี่แหละต่อให้ต้องลงมาเจราจากับคนผิดที่ไม่มีวันยอมรับผิดคุณก็จะไม่เลิดไปกับโทสะ แต่จะร้อนบ้างเย็นบ้างตามจังหวะสติที่เกิดขึ้นทันโทสะเป็นระยะระยะได้